มันที่จริงเนี่ยการลงโทษในโลกนี้มันก็มีอยู่เท่านี้นะเช่นลงโทษด้วยปาณาติบาตก็คือสั่งฆ่าน้องนองของสั่งฆ่าก็คือสั่งเขียนสั่งโบยสั่งตีสั่งทุบเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสายปาณาติบาตใช่การลงโทษในโลกนะหนึง่งอันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่สองเรียบซับ์สั่งปรับสินไหมเป็นต้นเนี่ยนะสั่งปรับก็คือยึดทรัพย์พวกนี้ก็เรียกว่าอาทยาทางทางอะไรทางกายอีกอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่า มันมีประเทศบางประเทศเป็นประเทศที่ยังป่าเถื่อนอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีการลงโทษเขาทำไงในครอบครัวใดมีความผิดเช่นชเป็นผู้หญิงเนี่ยนะไปทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งประชุมสภาหมู่บ้านว่าเอาไปข่มขืนก็ว่องั้น อ, อย่างนี้ก็มีอยู่นะซึ่งเรื่องนี้เกิดไม่นานเนี่ยไ ม, ไม่ปีนี้ปีนี้แหละในบางประเทศเนี่ยนะมันก็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 พยายามจะทำตัวเรียนแบบ แ, so แบบนี้เป๊ะเลยโดยที่มีเพื่อนคอยกระซิบข้างในอีกตัวหนึ่งวันนี้เรียกว่าทิ้งเพื่อนภายนอกถือเอาแต่เพื่อนภายในใช่เพื่อนไหนเพื่อนสองไงทุติโยเพื่อนคือตันหาคอยกระซิบบอกเอางี้สิเพื่อนเนี่ยเชื่อมันหมดอ่ะนะคำว่าผู้เดียวผู้เดียวเอโกเนี่ยนะผู้เดียวเนี่ยเป็นยังไงผู้เดียวเอโกนั้นหมายคาว่า พระปเจกพระพุทธเจ้านั้นเน่ะชื่อว่าผู้เดียวโดยบรนตาชาชื่อว่าผู้เดียวโดยอัถะว่าไม่มีเพื่อนสองนะชื่อว่าผู้เดียวด้วยอัถะว่าละปัญหาชื่อว่าผู้เดียวเพราะปราศจากราคะโดยส่วนเดียวชื่อว่าผู้เดียวเพราะปราศจากโทสะโดยส่วนเดียวชื่อว่าผู้เดียวเพราะปราศจากโมหะโดยส่วนเดียว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 เห็นภัยในวัตฏะอย่างแรงกล้าโดยที่ไม่เรียกว่าไม่ต้องมีใครคอยบอกมั่งั้นอธิบายตามลําดับว่าพระปเจกพุทธเจ้านี่นะผู้เป็นพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้เดียวโดยส่วนแห่งมัรตชาเป็นอย่างไรพระปเจกพุทธเจ้านั้นตัดความกังวลในคารวะคระนี่แปลว่าเรือนอาวาสแปลว่าการอยู่คารวะแปลว่าการอยู่ครองเรือน นะพวกคารวาทั้งหลายคารวาทก็พวกอยู่ครองเรือนนะนะตัดความกังวลไม่ใช่ในเรือนอย่างเดียวตัดความกังวลในบุตรและภริยาตัดความกังวลในญาติตัดความกังวลในการสั่งสมอ่านะเลิกสั่งสมแล้วปลงผมและหนวดแล้วครองผ้ากาสายะคือผ้าย้อมน้ําฝาดออกบวชเป็นบรรพชิตถึงขเข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลอกินจโน เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเที่ยวไปนนแบบไม่อะไรอาวอ์เลยนะเที่ยวไปทั่วเดินไปพักผ่อนรักษาบำรุงเยียวยาฉะนั้นเลยเรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นแต่เพียงผู้เดียวโดยส่วนแห่งการบรนประชาเนี่ยนะบวชคนเดียวเนี่ยนะไม่ต้องหาหนาคู่เหมืนั้นไม่ต้องบวชเดียวเลยไม่ต้องมีนาคู่น้าสามน้าอะไรไม่มีบวชคนเดียวอันนี้เรียกว่าเชื่อว่าผู้เดียวโดย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 ตันหาที่มีตะข่ายก็ว่าดาบอันคมกวัดแกว่งตัดตะข่ายเนี่ยนะที่มันเป็นเหมือนกระดักสัตว์เอาไว้คือตันหานั่นเองอย่าที่ตรัสเป็นคาถ า, าประพันธ์ว่าบุรุษมีตันหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดการนานของเราจริงๆก็ไม่ได้มาคนเดียวหรอกมาด้วยมาคู่หนึ่งนะมาอะไรมากะใครมากับตันหาวิถีแรกของพบทุกพบนะั่นตันหาเกิดก่อนนะครั้งแรกที่พอหลังจากปฏิสนธิจิตวิถีจิตชาวนะวิถีแรก ตันหามาก่อนพันะแรงว่าตันหานี้เป็นเพื่อนโหสนิทชิดเชื้อกันมานานอย่าสอนให้ละให้ยากเลยว่างั้นคบกันมานานแล้วคบกันตั้งแต่เกิดนี่นะมันพบต่อตไปครั้งแรกของทุกพบนี่เขาต้องมาก่อนอันดับแรกคือตันหาเราว่าท่องเที่ยวไปด้วยกันตลอดกาลนานก็เลยไม่ล่วงพ้นสงสารคือขันธาตุอายตนะที่มีความเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจากขันสู่ขันจาก อายตนะสู่อายตนะจากพบสู่พบจากกำเนิดสู่กำเนิดจากคติสู่ขติจากวิญญาณทิติสู่วิญญาณทิติจากสัตวาสู่สัตวาะก็เลยไม่มีความพ้นไปได้รู้แล้วว่าตัณหาตัวนี้แหละที่พาไปเนี่ยนะพาไปทั่วภิกษุพึงเป็นผู้มีสติให้มีสตินะสติแปลว่าอะไรกายานุปัสนาสติปทานเวทนาจิตตาธรรมานุปัสนาสติปทานรู้โทษนี้แล้ว รู้โทษของอะไรรู้โทษของตันหารู้โทษของการเกิดในวัฏฏะและตันหาเนี่ยเป็นแดนเกิดแห่งวัฏฏทุกเป็นแดนเกิดแห่งสังสารทุกเพึงเป็นผู้ปราศจากตัญหาให้ปราศจากตัญหาวิราคานี่เป็นชื่อของอารยมรรคเนพึงปราศจากตัญหาด้วยอารยมรรคไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นนั้นไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นนี่แปลว่าอะไรปล่อยหมดเลย แบมือเลยใช่ไหมอ้าวไม่ยึดแล้วนี่ไม่ยึดแปลว่าไม่ยึดถือสังขารโดยความเป็นของเที่ยงสุกยั่งยืนและอัตตานแหละเรียกว่าไม่ยึดถือว่าเป็นของเที่ยงไม่ยึดถือว่าเป็นสุกไม่ยึดถือว่าเป็นอัตตาเว้นโดยรอบนะละเว้นโดยรอบแปลว่ามีสติละเว้นตัณหาโดยประการทั้งปวงอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะละตัณหาได้ากาจัดตัณหา ที่อยู่ในใจนี่นะเลิกคือตัณหาเนี่ยมันพายึดถือสังขารว่าเที่ยงสุขยั่งยืนและอัตตาก็ปฏิบัติในอริยมรรคเพื่อกำจัดสันธราคะเป็นต้นนั่นเอง